พระภิกษุดวงนั้นหายไปไหนแล้วเห็นแวบๆนี่นะเอ๊เดี๋ยวๆหายไปแล้วสงสั ย, ย, ยสจะหายตัวได้เอ๊เอจ้านี้เพื่อเจอใหญ่แล้วอะคนอะไรนนจะหายตัวได้นอกจากเพื่อเจออะไราตาไม่ดีซะอีกพระพระภิกษุนั่นจะไปไหนก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นสิฮะงั้นเข้าไปกันไปดูให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอ๊ทาแบบนั้นไม่ได้นะคืนทําอย่างที่จะว่านะจะรู้ความจริงได้ไงเมื่อเขารู้ตัวสิ่งที่เห็นเป็นเพียงฉาบหน้า เนื้อแท้เราไม่รู้อ่ะอ่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเห็นเนื้อแท้แอบดูแอบดูโนดนโน่ย่องไปที่หน้าต่างแล้วแอบดูที่ต่างนั่นเลยอืมงั้นไปเลยไปให้เบาๆหน่อยให้เบาๆเบาๆอืมเฮ้ยค่อยๆค่อยๆโรหัวขึ้นไปเห็นไหม อาหารกันอยากอร่อยอร่อยใชะเด็กนั่นท่าทางจะเป็นโรคนะหิวจัดด้วยกันทั้งคู่กินเอากินเอาแก้มตุยทเยีเดียวเดี๋ยวได้ติดคอกันมรับเออข้าสังเกตอะไรอย่างหนึ่งแล้วเจ้าสังเกตอะไรไอ้อาหารที่สองคนกินนะดีเจ้าสังเกตหรือเปล่าเอมกาลังสนใจอยู่เฮ้ยนั่นอาหารที่แจกโรงทานนี่วะข้าจำได้ไม่มผิดเลยเออข้าก็จําได้นะอ๋อข้าพอจะรู้แล้วรู้อะไร ทำไมพระภิกษุรูปนั้นจึงเข้ารับบิณฑบาต ท, ทั้งที่ตานเศรษฐีนิมนต์ฉันแล้วนะเอที่รับบิณฑบาตเพราะต้องการเอามาให้สองพ่อลูกคนนีนี่ใช่อ่าว่าไม่ผิดแน่เอและทําไมต้องเอามาให้ก็ไปรับแจ ก, กเองไม่ได้หรือไง น, นะนั่นสิมันน่าสงสัยแบบนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนั่นแน่แล้วพระภิกษุรูปนั้นไปไหนเสเนี่ยเอกําลังมองดูอยู่นี่นะ่ะ คงเอ า, อาหารไปให้แล้วก็เลยไปพักบ่อนอเอางี้เอาเพื่อความกระจ่างชัดนะกลับไปรายงา น, นงท่านเศรษฐีได้ถูกต้องเราควรเข้าไปซักถามสองพ่อลูกนั้นเชื่อว่าที่สงสัยคงจะคลี่คลายเอหรือว่างไงเออไม่ว่าไงหรอกเอาอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละดีเอานั้นไ ป, ไปอ้อม อ, อมเข้าไปทางหน้าประตูเลย อ, อ, อ้อมยอกยอกไป กเชิญท่านทั้งสองท่านคงต้องการอาหารบ้างละมัง้งงั้นเชิญเลยมีน้อยกินน้อยแบ่งกันกินเพื่อให้คลายหิวทุกวันนี้กินเพื่ออยู่เท่านั้นเชิญลาวล็อกท่านเข้าใจผิดเราสองคนไม่ได้คิดจะมาแย่งอาหารของท่า น, เ, น, านเรื่องกิ น, นเราอิ่มหนำสำราญกันมาแล้วที่มาเนี่ยก็อยากจะมาถามอะไรท่านสั ก, กหน่อยนึงอยากคิดว่าเป็นการรบกวนอะไรเลยนะ ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเลยท่านมีเรื่องอะไรล่ะอืมเด็กคนเนี้เห็นที่จะเป็นลูกท่าน น, นั่นเองถูกแล้วเด็กคนนี้คือลูกของข้าพเจ้าทำไมเหรอเห้ยน่ารักตัเอ็นดูถ้าว่าเสียดเสียวไปหน่อยเอ๊ะท่านเป็นใครมาจากไหนอ่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจชื่อกัจยนะมาจากหมู่บ้านเพรวบาคำอืมแล้วอาาที่กำลังเกินอยู่เนี่ยท่านได้มาจากไหนเอะ พระภิกษุรูปนั้นนำมาให้ข้าพเจ้าท่านรู้หรือไม่ว่ามีการแตกทานที่โรงทานท่านสถีกับเป็นข้าพเจ้าทราบท่านรู้แล้วทำไมท่านไม่ไปรับทานเองที่โรงทา น, ทานาข้าพเจ้าไปไม่ไหวไม่สบายะปล่าข้าพเจ้าขาเจ็บจากการเดินทางไกลจนเดินไปไหนไม่ได้แต่นี่ก็เกือบจะหายแล้วอีกสองวันก็คงหายเป็นปกติแล้วข้าพเจ้ากับลูก จะไปรับทานที่โรงทานเองเราพระภิกษุรูปนั้นไปอะไรกับท่านเนีไม่ได้เป็นอะไรกันอาแล้วรู้จักกันได้ไงเมื่อข้าพเจ้ามาถึงที่นี่วันแรกก็พบว่าท่านพักอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกอย่างท่านแหละเป็นใครือ ม, มาถามเรื่องนี้ทําไมเพื่อประสงค์อะไรเหร อ, อขับจ่าไว้ก่อนนะไม่มีแล้วปัดกลับรถปัดไปกันแล้ว ไรเห็นะพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขามาถามพ่อทำไมนั่นสิพ่ อ, อยังงงอยู่นี่แหละแปลอาระอย่าไปสนใจลูกกินต่อไปให้อิ่เออมเถอะ ุากตันหาทําให้คนไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีความสงบสุขคนขอทานนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งมีเสื้อผ้าขาดกระรุงกระริงมีกะลาใบาเดียวเป็นทรัพย์สมบัติเขาขอทานไปคิดฝันไปว่าถ้าเรามีวัวสักคู่หนึ่งมีนาสักหนึ่งแปลงคงจะมีความสุขมาก ต่อมาเขารวบรวมเงินได้จากการขอทานจึงนำเงินไปซื้อนานหนึ่งแปลงวัวหนึ่งคู่สมความปรารถนาแล้วเขาก็คิดฝันต่อไปอีกว่าถ้าเรามีนามากกว่านี้อีกสักสามเท่ามีวัวสักร้อยตัวคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังด้วยความอุตสาหะพยายามเขาก็สามารถมีนาเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่ามีวัวร้อยตัว มีกำมากรช่วยทำนาห้าคนขณะที่เดินตรวจดูนาเขาก็ฝันต่อไปว่าถ้ามีนาเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่ามีวัวห้าร้อยตัวมีฆ่าทาตบริวารร้อยคนมีคฤหาสหลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขาก็มีสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นทุกอย่างคราวนี้เขาก็มีความสุขแล้สิณนะท่านสมณะนะ เปล่าเลยเขาไม่ได้มีความสุขอ้าวเออทําไมละ่ะก็เพราะว่าเขาไม่พอเพียงแค่นั้นเขากลับคิดต่อไปอีกว่าถ้าเราได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกรมีข้าทาสบริวารจํานวนพันเราคงจะมีความสุขอืมแล้วเขาจะมีความสุขไหมถ้าเขาไม่ตายซะก่อนและสามารถเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติทุกอย่างตามที่ปรารถนาเขาก็หามีความสุขไม่เพราะอะไรล่ะท่านสมณนะเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วเขาก็อยากเป็นพระราชาครองแวดแควนแล้วก็จะเป็นต่อไปต่อไปอยากเป็นพระราชาได้แล้วก็ปรารถนาจะเป็นเจ้าจักรพรรดิครอบครองทั่วแผ่นดินต่อไปอีกไม่รู้จักสิ้นสุดธรรมชาติของมนุษย์ผู้ตกเป็นท่าแทงตันหาย่อมเป็นเช่นนี้ ทุกคนอยู่ในลักษณะโยนความสุขไปขา้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามพอตามไปถึงแทนที่จะจับยึดเอาความสุขไว้แล้วก็ยุติวิ่งไล่ความสุขแต่กลับเอาความสุขนั้นโยนไปขา้างหน้าแล้วก็วิ่งตามอีกวิ่งไปเรื่อยๆทำนอง น, นี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดไม่ได้พบกับความสุขที่ตนปรารถนาข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่าน ความอยากทำไมมนุษย์ต่อสู้ดินน้นรนอ้อขออาภายัยดูเมุ่นคนของ ข, อง ข, องของพเจ้าจะไม่เรื่องมาบอกยืนรับรับรอรออยู่ที่นั่นเสร็จธุระแล้วขพเจ้าจะมาสนทนากับท่านต่อไปเชิญอุบาสก ข้าเจ้ามีเรื่องจะมาในงานท่านเศรษีเจ้าไปสืบดูแน่ชัดแล้วใช่ไหมแน่ชัดแล้วเห็นกับตาเลยทั้งยังได้ซักถามอย่างละเอียดถี่ท่วนแต่ไม่เห็นพระพิสูรรูปนั้นมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าติดตามไปสักครู่เขาก็มาที่นี่ถ้าอย่างนั้นคงเป็นหลังจากที่เขาถ่ายอาหารจากบาดแล้วเจ้าคงเห็นอาหารที่เขาถ่ายออกจากบาดแล้วทีนะข้าเจ้าเห็นแล้วอืมคงตาดจมไม่เยอะ เปล่าเลยท่ทานเศรีอ้าวงั้นเอาไปทําไมอ่ะเอาไปให้สองคนพ่อลูกกินสองคนพ่อลูกเป็นใครเป็นคนมาจากหมู่บ้านเพราวะขามเดินทางมาจนขาเจ็บปวดเดินไม่ได้ภิกษุรูปนี้จึงต้องหาอาหารไปให้กินไม่องั้นอดตายแน่พระภิกษุกับสองพ่อลูกีเป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแต่ว่าเดินทางมาพบกันเท่านั้นพระอิสูจน์สงสาร ก็รับบินทะ บ, บาทมาให้สองพ่อลูกก็เลยไม่อดตายโอ้เพิ่งจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้เองโอ้เสียใจเสียใจจริงจริงอา้าวท่านแต่ษีเสียใจเรื่องอะไรก็ที่ข้าพูดจาเสียสีกระทบกระเทียบท่านอะสิเออข้านี่มันเร็วจริงจรเอาละข้าจะไปขออภัยท่านก่อน ผู้จเจริญข้าพเจ้าขออภัยโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ด, ด้วยเถิดอุบาสกทำผิดอะไรจึงให้อัตมายกโทษก็อนที่ข้าพเจ้าพูดจะกระทบกระเทียบเสียดสีท่านโดยไม่รู้ความจริงในการที่ท่านมารับบิณฑบาตสองเที่ยวข้าพเจ้าเพิ่งทราบจากคนของข้าพเจ้าเดียวนี้เองว่าทำไมท่านถึงมารับบิณฑบาตสองเที่ยว ขปเจ้าทราบแน่ชัดแล้วว่าการบินสบาตรจองเที่ยวของท่านแทนที่จะเป็นการกระทําโดยความโลภและเห็นแก่ตัวกลับเป็นการกระทําด้วยความเมตตาตงสงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกยากนับว่าท่านเป็นผู้มีน้ําใจอันประเสริฐยิ่งกว่าขพเจ้าใครอีกอาตมามีน้ําใจประเสริฐกว่าอุบาสกยังไงเท่าที่ขปเจ้าทําทานคราวนี้ โดยที่ตัวเองไม่ได้ลำบากเลยแต่ท่านกระทำด้วยความลำบากถึงกับตัวเองยอมอดอาหารข้าพเจ้าขอโทษท่านที่ได้ล่วงเกินท่านไดยวาจาในวันก่อนอัตมาให้อภัย เป็นผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าว่าไงข้าก็ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะเรื่องที่จะพูดขึ้นมานั้นข้า ย, ยังไม่รู้เลยว่าพูดเร่งอะไรอ้าวไม่รู้เหรอแค่เรื่อก็รู้แล้วสิ ถ้าไม่ใช่ผู้พิเศษนี่จะได้รู้ไปเสียหมดทุกอย่างทุกเรื่องไม่แค่นี่กระทมสุนเสียวไปได้ที่เขว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยก็เรื่องท่านเศรษฐีนายของเราอว้ท่านเศรษฐีทําไมตอนเนี้ท่านกลายไปดูบาศกในพระพุทธศาสนาไปแล้วอา้าวง่าเปลี่ยนใจไปไง่ายๆอย่างนั้นละ่ะไม่น่าเชื่อะก็ข้าบอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาดนใจท่านห่ืมั้น่ะะญญละครแน่อยู่แล้ว เจ้าพูดเหมือนกับว่าเจ้ารู้แล้วนั่นแหละใช่ขารู้แล้วรู้ว่าอะไรมาดนใจท่านเศรษฐีอะไรนะการสงเคราะห์มรดกผู้ตกยากด้วยจิตเมตตากรุณาอนันบริสุทธิ์ของพระพิสุรูปนั้นท่านเศรษฐีก็เลยเปลี่ยนใจและเชื่อว่าความเมตตาของพระภิสุรูปนั้นจะก่อให้เกิดผลดีประการเดียวยังเกิดผลดีอีกประการหนึง่งอีกประการหนึงนะ่งอะไรนะไปฟังท่านเศรษฐีพูดสิแล้วจะรู้เอง เงินก่อนนี้เรามอบให้ท่านเอา้ารับเอาไปสิเอ่อเ้าพระเจ้าไม่กล้ารับทำไมละ่ะกัดใจอะนะจำนวนเงินมากมายเหลือเกินเ้าพระเจ้าคิดว่าฝันไปมากกว่า <c oughs> ไม่ใช่ฝันแต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นความจริงท่านมอบให้เขาพระเจ้านิดหน่อยก็พอละอย่าให้มากถึงขนาดนี้เลย ไห้เลน้อยท่านจะพอได้อย่างไรข้าพเจ้าใช้อย่างประหยัดเชื่อว่าจะมีใช้จ่ายไปได้อีกนานก็แล้วที่นาของท่านละ่ะที่นาข้าพเจ้านั่นข้าพเจ้าจำนำไว้กับมันติยพรามณ์อย่าไปพูดถึงมันเลยข้าพเจ้าไม่มีปัญญาถ่ายคืนหรอกก็เงินจำนวนนี่ยังไงละ่ะไปถ่ายนาท่านให้ข้าพเจ้าไปถ่ายนาถูกแล้วนอกจากเงินจำนวนที่มอบให้เนี่ย ยังมีเกวียนอีกเล่มนึงพร้อมด้วยวัวคู่บนเกวียนก็มีสเสบียงอาหารมากมายอขอพระคุณท่านเศรษฐีท่านผู้เจริญท่านจะเดินทางไปหมู่บ้านเพระวะามโดยทางอ้อมเห็นจะไม่ต้องทําอย่างนั้นอีกแล้วตอนนี้ท่านสามารถเดินทางตรงได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอดอยากทําไมเลยอุบาสก ขประเจ้าจัดทะเบียบนบรรทุกเวียนมากมายพอที่จะเรียงคนสามคนได้เป็นอย่างดีทีเดียวขอบใจอุบาสกอัตมาขอลา เพระวะคามแล้วท่านสมณนะ ก, การเดินทางเพียงแค่สี่วันเท่านั้นแล้วว่าเดินทางได้เร็วมากไม่ใช่เหรอกัจจายนะถูกแล้วท่านสมานะเท่าที่เดินทางได้รวดเร็วเขาเดินทางได้อย่างสะดวกสบายไม่อดอยากท่านดูหมู่บ้านสิเป็นยังไงหมู่บ้านร้างดีๆนี่เองมองไปทางไหนเห็นแต่บ้านผู้คนไม่มีให้เห็น บ้านหลังใหญ่นั้นบ้านใครผู้คนคึกคักเต็มไปหมดบ้านที่ท่านสมณะเห็นผู้คนคึกคักนั้นคือบ้านของมันติยพรามผู้ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านสมนาฟังมาแล้ว อาตมา ย, ยังจัอที่เลาได้ดีเท่าที่มาที่นี่ก็เพราะคนผู้นี้มีอะไรเหรอท่านสมณะอย่าเพิ่งสนใจสักถามตอนนี้เลยเพราะแต่มองไปทางไหนมันเงียบเงาไม่มีผู้คนบ้านเรืองร้าไปหมดและทำไมบ้านมันติยพรามผู้คนจะได้คึกคักคับข้างนขนาดนั้นญาติพี่น้องของพรามนั้นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ญาติพี่น้องหรอกท่านสมณะงั้นก็คนมาพักอาศัย ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนพักอาศัยงั้นพวกไหนกันละ่ะทุกคนล้วนแล้วจะเป็นทาตทาตถูกแล้วท่านสมณนะผู้คนที่เห็นคือคักมากมายนั้นก็คือชาวบ้านที่ตกมาเป็นทาตสําหรับครอบครัวของมัตฑยพามมีเพียงที่ดาสาวคนหนึ่งบุตรชายคนหนึ่งและพญาอีกคนหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นก็มีคนใช้สนิทเก่าแก่อีกประมาณสิบคน ทุกคนเป็นที่ไว้วางใจของพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆที่สำคัญก็คือกูบรรดาพวกทาตุร้องไว้ร้องไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้อห้ไห้ไม้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไหคไห้ไห้ไว้ไห้นห้ไห้ไ้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ไห้ห้ไห้ไห อะไรมายึดเอาเปลียนสมเพียงทั้งหมดนี่ใช่เรื่องอะไรจะมายึดเอาของข้าพเจ้าไม่ได้นะข้าพเจ้าไม่ยอมนะไม่ยอมกเกิดเจ็บตัวเท่านั้นนะอย่าดีกว่าอยากขัดเคิรนแข็งข้อกับท่านพราหมณ์อยากเก็บเงมีแต่เสียมีแต่เจ็บตัวใช่เยหรือไว้เป็นดีที่สุดทํำไ้ท่านมันตเตยพราหมณ์ต้องทํากับข้าพเจ้าอย่างนี้ล่ะอลืมไปแล้วเหรอว่าเราไปนี่ท่านอยู่ดอกก็ไม่ส่ง ท่านม่เอาเรื่องได้ดีที่สุดแล้วแต่ท่านก็ยึดนาไปแล้วนะไอ้มันคมกันทีไหนลราใช่ใช่ไอ้พวกเราไปเลยอยเกวียนไปเลยหยาณะแม่แม่ลอยให้เข้าไปเถอะกัดใจหยาณะให้พวกมันออกไปง่ายงอย่างนั้นเหรอท่านสมณะไปนี่ของข้าพเจ้าไม่ใช่ของมันนะให้มันไปได้ยังไงง่ายๆอย่างนั้นอ่ะเแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าขัดขวางมิแต่จะเจ็บตัวของก็ถูกเขาเอาไปจนได้อยู่ดีลอยเข้าไปเถอะ เชื่ออาตมาดีกว่าโทษทำไมเขาต้องทำกับข้าพเจ้าอย่างนี้ด้วยทำไมเพราะเขาต้องการท่านเป็นทาสเขาะสิกัจัยนะต้องการตัวข้าพเจ้าเป็นทาส ท่านสมณะพาะมัติยัตินี่เหนอต้องการข้าพเจ้าเป็นทาสท่านสมณะรู้ได้ยังไงก็อุบาสกเองไม่ใช่เหรอเป็นคนเล่าให้อัตมาฟังอ๋อจริงสิข้าพเจ้าลืมไปแต่ข้าพเจ้ามายอมมันหรอกเขาจึงต้องใช้วิธีนี้กับท่านไงด้วยการยึดเอาสเสบียงอาหารแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะประโยชน์นั้นมีมากมายท่านอยู่ดีกินดีคงไม่คิดเป็นทาส แต่เมื่อท่านหิวท้องร้องขออาหารได้รับความลําบากอดอยากก็มีอยู่ทางเดียวด้วยการส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากพราหมณ์ก็นี่แหละเป็นการเริ่มต้นการเป็นทาสข้าพเจ้าไม่ยอมถึงจะอดตายก็ไม่ยอมเป็นทาสท่านอาจจะทนได้ยอมตายได้แต่ว่าอะไรเหรอท่านธรมณนะลูกของท่านล่ะลูก ลูกของท่านจะต้องร้องไห้เพราะความหิวออจริงสิลูกจะต้องร้องลูกอาจจะตายท่านจะทนเห็นลูกตายไปต่อหน้าได้หรือไม่ได้ข้าพเจ้าทนดูไม่ได้ข้าพเจ้าตายซะดีกว่าที่จะให้ลูกตายถ้าอย่างนั้นก็มีวิธีเดียวด้วยการเป็นทาสใช่ไหมท่านธรรมะถูกแล้วเพื่อความอยู่รอดของท่านและลูกยอมเป็นทาสเขาเถิดข้าพเจ้าและลูกไปเป็นทาส แล้วท่านสมณะละ่ะอาตมาจะพักอยู่ที่นี่ไม่กลัวอดตายเหรออาตมาอยู่ที่นี่ไม่นานก็จะไปแล้วระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็จะบินทบาทพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านไม่ต้องเป็นหัวอาตมาข้าพเจ้าเชื่อท่านเป็นอนววาตกลงข้าพเจ้าจะพาลูกไปเป็นท่าดพราหมณตยะดีแล้วเพื่อความอยู่รอดของท่าน พระว่าท่านมัณติยะเจ้ามาหาข้าทําไมกัจจายนะเข้าพเจ้ากับลูกจะมาขอพึ่งท่านโปรดเมตตาด้วยพึ่งข้าก็ต้องทํางานให้ข้าน่ะสิเข้าพรเจ้ากับลูกจะทํางานให้ท่านทํางานให้ข้างั้นก็หมายความว่าเจ้ายอมเป็นทาาข้าใช่ไหมอ๋อถูกแล้วเข้าพเจ้ายอมเป็นทาาท่านมันก็แค่นั้นในที่สุด เจ้าคนนี <the> <lovers> your your <ons> oh ้กลายเป็นทาดข้าไม่พ้นไม่ทราบว่าท่านจะรับเขาว่เจ้าเป็นทาดหรือไม่รับสิข้าต้องการตัวเจ้ามานานแล้วเจ้าทำงานให้ข้าข้าก็ให้อาหารแก่เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นทาดข้าแล้ว แต่เะรนักนี่ท่านเป็นทาตดพรามมัญยะแล้วเเนี่ยถูกแล้วเพื่อลูกข้าพเจ้าต้องยอมเห็นทีอจะสมใจเขาแล้วเพราะเขาต้องการตัวท่านมานานทีเดียวตอนที่ท่านหนีไปดูท่าทางเขาโกรธมากว่าแต่ว่าตอนที่ท่านมานี่เห็นมีสเสบียงอาหารบรรทุกเกวียนมามากมายไม่ใช่เหรอแต่ก็ถูกมัญยะแย่งชิงเอาไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นแผนการของเขาละ่ะ เขาต้องการตัวท่านเป็นทาสเมื่อท่านไม่มีอาหารไหนเลยจะทนอดอยู่ได้ยังไงก็ต้องสมงสารมาหาเขาไหนที่สุดก็เป็นความจริงแต่ที่มาเนี่ยยังไม่ทันอดนะท่านจริงมาเสียก่อนก็ดีแล้วมันตป็นยะจะได้ไม่กลั่นแกล้งท่านมากกว่านี้เด็ดนั่นนักบวชที่ไหนอะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อพระภิกษุเขาพเจ้ารู้จักดีเรามาใส่บาตรกันเถอะ นิมนก่อนท่านสมณะอุบาศกกัจจยนะท่านก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเป็นทาสเขาตื่นสายไม่ได้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้ามืดแล้วรวมทั้งเพื่อนทาสทั้งหลายพอสุขสบายดีไหมพอสมควรกับการเป็นทาสรวมทั้งบุตรชายข้าพเจ้าด้วยดีแล้วจงอดทนนะอุบาศกข้าพเจ้าจะอดทนเช้านี้ดีใจที่ท่านมาบิณบาต ข้าพเจ้าขอใส่บาตรด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆที่ได้รับปันส่วนพร้อมกับเพื่อนร่วมทาตอาหารส่วนนี้เป็นของข้าพเจ้าที่ได้รับหมายความว่าท่านแบ่งอาหารของท่านให้อัตมาและท่านจะพอกินเหรอข้าพเจ้าพอกตเจียละนายต้องการพบรีบไปหาแล้วนายต้องการพบข้าพเจ้าเรื่องอะไรรู้ไหมอย่าคู่ไปถามเองเขาไม่มีหน้าที่ตาั แล้วไม่จำเป็นที่นยายจะต้องบอกข้าด้วยเล้วว่าจะชักช้าถูกดูคาไม่รู้นะอ๋อข้าขอบอกอยู่จังนายเขายืนดูเจ้าใส่บาทอยู่นานแล้วสีหน้าดูมันจะไม่พอใจเอามากมากก็คงจะเป็นเรื่องนี้มัง้งรีบไปสิข้าพระเจ้าไปก่อนละท่านสมนะพรุ่งนี้ขอนิมนต์ มาแล้วนายท่านรวดเร็วดีนี่กัจจยนะมีคนไปตามข้าพเจ้าบอกว่านายท่านต้องการพบใช่ข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับใช้นายท่านอยู่แล้วนายท่านจะถามอะไรข้าพเจ้าเลยสมณะล้นคนนั้นเป็นใครท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วมาที่นี่ทำไมท่านกำลังจะเดินทางไปกรุงพารังสีรู้จกักก็ ข้าพเจ้าพบท่านในระหว่างทางเลยให้ท่านอาศัยเดินทางมาด้วยตอนนี้พักอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่มะถูกแล้วนายท่านท่านพักอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะเดินทางต่อไปข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้าดูท่าทางของมัติยพรามไม่พอใจอมามากสีหน้าขึงเครียดจริงสินะปกติเขาเป็นคนตระหนี่ไม่เคยทาบุญให้ทาน และไม่ชอบห<ด>น้านั ก, นกบวช<ว>ในศาสนาด้นทั้งสิ้นได้ยินไหมข้าไม่ยาให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้าทาไมหลานนายท่านข้าไม่ชอบนักบวชนักบวชผู้นี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะนายท่านถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่ชอบพวกนี้ไม่ทํามาหาเลี้ยงชีพอะไรเอาแต่ขอคนอื่นเลี้ยงชีพข้าขอห้าแกแ ล, แล้วก็ทุกคนในบ้านของข้า มหให้อาหารใส่บาตรให้แก่พิสูรรูปนั้นเข้าใจไหมทำยังไงดีละ่ะมันติยาพรามเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อคำพูดซะด้วยใครฝ่าฝืนคำสั่งของเขาจะต้องได้รับโทษอย่างหนักถ้าไม่ใส่บาตรให้แก่ท่านสมณะแล้วท่านจะเอาอาหารที่ไหนมาฉัน ที่ข้พูดเนี่ยเจ้าเข้าใจไหมกัจเจียนะข้าพเจ้าเข้าใจแต่นายท่านข้าพเจ้าเอ่อเจ้ามีอะไรข้องใจอยู่เหรอฮะเอ่อข้าพเจ้าเชื่อว่าภิกษุรูปนี้คงอยู่ที่นี่ไม่นานนักท่านก็จะเดินทางไปกรุงพาราณสแล้วข้าพเจ้ากับภิกษุรูปนี้เอ่ออะไรของเจ้ากัจเจียนะเออเราร่วมเดินทางกันมานานเคยได้อาศัยกัน ข้าพเจ้าขออนุญาตถวายพระตาหารแก่ท่านวันละเล็กวันละน้อยพอประทังชีวิตด้วยเถอะคงไม่เป็นการสิ้นเปลืองแก่ท่านมากนักข้าพเจ้าจะแบ่งถวายท่านจากส่วนแบ่งของข้าพระเจ้าเองไม่ได้ถึงจะแบ่งจากส่วนแบ่งของเจ้ามันก็ไปจากทรัพย์สินของข้านั่นเองในยามข้ายากมาแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองการทําคุณให้คนจอด